คือเหตุที่คนฆ่าตัวตายส่วนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าไม่เท่าทันความคิดนะความคิดมันพาไปแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนให้ออกมาจากความคิดนะเพราะนั้นวันที่13กันยายนเนี่ยเป็นวันที่บังเอิญประจบเหมาะอันพอดีที่อันนึงก็รณรงค์ให้ออกจากความคิดนะก็คือองค์การอนมามัยโลก นะแล้วก็หลวงพ่อเทียนก็ได้บอกวิธีการในการที่จะออกจากความคิดด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะคนไทยนะที่ได้เรียนรู้นะวิธีการนะที่หลวงพ่อเทียนได้นําเสนอไวนะ้ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ การออกจากความคิดนะด้วยการเจริญสติแต่ก่อนเนี่ยนะถ้าย้อนหลังไปก่อนที่หลวงพ่อเทียนจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะในประเทศไทยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยนะกับการฝึกสมาธินะแบบนั่งหลับตานะใช้ลมหายใจบ้างมีคคำบริกรรมบ้าง หนะ้าต่างๆและส่วนใหญ่เราก็ไป <c oughs> ไปเข้าใจตรงนั้นนะว่าฝึกสมาธิต้องนั่งหลับตานะต้องบริกรรมนะจะเป็นพุโทโธสัมมาอลาหงยุบหนอ่อพองหนอ่ออะไรก็ตามนะนั้นก็เป็นแบบมาตรฐานนะที่คุ้นเคยแล้วก็ทำกันอยู่แมนะ้แม้แต่ในปัจจุบัน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 นะท่านก็มานําเสนอในอีกรูปแบบหนึง่งนะที่เรามาทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้รูปแบบของการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยอย <c oughs> ากได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหรือแม้ <c oughs> แต่ตัวหลวงปเทียนนะท่านก็บอกว่าเป็นการดัดแปลงนะมาจากวิธีการที่เรียกว่าติงนิ่งนะของของของลาวนะที่ท่านได้ไปเรียนรู้นะติงนี่ก็คือไหว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 เราจะต้องเคลื่อนไหวนะอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่ให้เราเนี่ยได้สัมผัสหรือประเชิญนะกับความคิดกับอารมณนะ์ที่มันปรากฏนะที่มันแสดงตัวของมันออกมาแบบตรงไปตรงมานะไม่ต้องไปหลบไม่ต้องไปหนีมันนะคนที่ไม่ได้ฝึก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 เราเคยมีความเข้าใจนะว่าการมาฝึกกรรมาฐานเนี่ยนะมันต้องสงบมันต้องนิ่งมันต้องเย็นมันต้องสบายมันต้องโปร่งมันต้องโลง่งอันนั้นคือเป็นความเข้าใจนะที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังมาก็ดีหรืออาจจะเห็นภาพโปสเตอร์ที่เขาโฆษณาก็ดีนะหรืออาจจะอ่านหนังสือก็ดีนะตรงนี้เนี่ย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 เราได้ยินได้ฟังและอ่านหนังสือมานานนะว่าอริยาาสัจสี่พระพุทธเจ้าตรัสโลอริยาาสัจสี่ข้อแรกก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเจอก็คือความทุกข์นเองแต่ความทุกข์เนี่ยก็มาแสดงให้เราได้เห็นและให้เราได้เรียนรู้นะเมื่อเราเรียนรู้เราก็จะรู้ว่าโอ้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราก็จะแก้ไขและความทุกข์ก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะมันก็มี แปลเปลี่ยนไปไดนะ้แล้วก็รู้วิธีการนะที่จะแก้ไขวิธีการหลงพ่อเทียนเนี่ยเทนะ่าทีา่ได้เรียนรู้จากการฝึกจากการอ่านจากการได้ยินใด้ฟังเนี่ยนะพอสรุปได้เป็นสองขั้นตอนนะขั้นแรกก็เรียกว่าขั้นรูปนามนะหรือบางทีเรียกว่าเป็นขั้นสมมุตินะในขั้นนี้เนี่ยก็คือการที่เรามา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 ทำเรื่อยๆทําให้ต่อเนื่องนะอาการหรือสิ่งที่เรียกว่ารูปนามก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมนะซึ่งอันนี้คิดไม่ได้จินตนาการไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นมาเองเพียงแต่เราทําเหตนะุก็คือการมีความรู้สึกตัวนะกับการเคลื่อนไหวนะของกายนี่แหละ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 ไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงและมันทนอยู่ไม่ได้และไปบังคับบัญชาไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าอ น, นิจจงทุกขังอนัตตานั่นเองนะซึ่งคนที่ฝึกปฏิบัตนะิอย่างต่อเนื่องจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะจริงๆมันก็แสดงตัวของมันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้นะทีนี้พอเห็นทุกของอังอนิจจงอนัตตาแล้วนะทีนี้ก็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 คิดถึงญาติมิตรคิดถึงเพื่อนอยากจะไปพูดอยากจะไปบอกนะเริ่มที่มีความมั่นใจนะเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้นะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรียกว่าวิปัสสนกิเกล็ดนะซึ่งตรงนี้ตัวกระผุ่มเทํามาเองก็เคยเจอนะสมัยที่ได้ไปบวชเมื่อปี2525และได้ไปจําบรรษาอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะซึ่งตอนนั้นก็โชคดีนะที่มีกัลยาณมิตรนะ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 นะแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกต่างๆนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นวัตถุนะแล้วก็สิ่งที่เห็นขณะนั้นตรงๆเนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะเาเรียกว่าปริมัตรนะแล้วก็มีอาการที่แสดงออกมานะนี้เป็ น, เ ป, นเป็นในขั้นเรียกว่าเป็นขั้นต้นนะของขั้นปรมัตรนะซึ่งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยบางทีเราจะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะแต่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 บูฟขึ้นมาเลยมันร้อนขึ้นมาเลยนะหรือขี้โลภเนี่ยนะบางทีไปเห็นแล้วอยากได้ของขึ้นมาเลยนะส่วนความหลงนี้เห็นเห็นยากนะสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่สติของเรายัางไม่ชัดความรู้สึกตัวของเรายัางไม่ชัดเรายัางไม่เห็นเพระาะฉะนั้นก็จะโดนสิ่งเหล่าเนี้ยครอบงําอยู่นะแล้วก็เป็นตัวผลักดัน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 ความรู้สึกตัวมันจะเร็วมากมันจะไปเหมือนกับไปละลายเลยนะอันนั้นสำหรับคนที่ฝึกอพอสมควรแล้วแต่คนที่ยังฝึกอินซียังไม่แก่กล้าก็อาจจะยังโกรธแล้วก็มารู้ทันเอาทีหลังนะซึ่งตรงนั้นโดนความโกรธมันครอบงำเป็นเี็บรอยแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันใช้ได้นะตั้งแต่ต้นจนถึงกลางแล้วเปื้องปลายเลยนะ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 เป็นสิ่งที่เป็นความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นนะจากการที่เรามีความรู้สึกตัว เ, เข้าไปนะตอนหลังนี่เราก็จะไปเห็นสิ่งที่มันตกค้างมันเป็นความเคยชินเป็นสิ่งที่หมักหมมนะถ้าเรียกว่าอนุใสกด็ดนะีท่านใช้คาว่ากามาสะวะภนะวาสะวะอวิชชาสะวะ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 เพราะนั้นวิธีการแก้ก็คือกลับมารู้สึกตัวเนี่ยบ่อยๆนใจมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติและสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่ท่านเข้าใจถึงที่สุดเนี่ยท่านบอกท่านมีความรู้สึกตัวเบ า, าเหมือนกับลอยได้อะะท่านก็เอ๊ะมันทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นม า, นาเหมือนเดิน <c oughs> เดินลอยเนีด็กท่านก็เอ๊ะนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ย น, น, นี่ก็คือวิปลาสก็คือ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 เกิดขึ้นได้นะในรูปแบบก็ตามในนอกรูปแบบก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยพยายามทาในรูปแบบเอาไว้นะมันจะเป็นฐานสาคัญนะโดยเฉพาะความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นฐานสำคัญตัวก็ผมฤทธามาเองตอนที่ไปฝึกกับหลวงพระเทียนใหม่ๆเนี่ยนะในช่วงประมาณปีประมาณปี2องหน่ 1, นะตอนนั้นก็ยังไม่เคยรู้เรื่องอะไร แล้วก็อาศัยอานาปนาสติใช้ลมหายใจก็สงบแล้วในช่วงนั้นก็ไปอ่านหนังสือหลายเล่มเขาบอกให้มองจิตให้ดูจิตให้ตามจิตซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มึนหัวเลยฝึกไปอย่างนั้นเนี่ยได้มาเจอกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขมเขีย น, นท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนตรงนี้จะเป็นฐานสําคัญ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 นะจนมันเกิดกับตัวเราเองจริงๆนะจนเราแก้ไขปัญหาได้จริงๆอันนั้นเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเท่านั้นเองอะเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราคิดว่าเรารู้จริงๆไม่รู้หรอกมันรู้จําเอาซึ่งตรงนี้หลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้ปราชิกสี่เออนี่น่าสนใจปราชิกสี่นี้ส่วนใหญ่เราจะคิดถึงเฉพาะพระนะแต่จริงๆเนี่ยคนทุกคนนะ ภาที่สก็คือขาดจากความเป็นพระมีอะไรบ้างนะข้อแรกเขาบอกเสพเมทูลนะเสพเมถุนนี่เราจะไว่าใจเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่ในความหมายของหลวงพ่อเทียนนะท่านหมายถึงว่าเราไปคุกคีกับความหลงนะและความลืมตัวอันนี้ก็จะทําทให้เราขาดจากความเป็นพระนะอันที่สองก็คือรักของเขารักของเขาเนี่ยก็คือได้ยินได้ฟัง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 นะด้านสุดท้ายก็คืออวดอุตริมนุสธรรมยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองคุยโมโ้กาไปเรื่อยเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำบางทีให้เราหลงลืมตัวนะไปด้านตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งทีเ่เราสามารถจะใช้ได้และหลวงพ่อเถียนท่านไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าคนที่เข้าใจธรรมะจะต้องมาบวนะท่านใช้ใช้คำว่าพุทธบริษัทสองนะนี่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ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 พวกเราได้ลองพิจารณานะว่าเป็นจริงไหมนะก็ด้วยการพิสูจน์ด้วยตัวเราเองละนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มานำเสนอเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อเทียนได้มรณภาพครบ24ปีนะที่เมื่อวานนีนะ้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็เป็นกำลังใจนะกับพวกเรานะที่ได้มาพฤทิปฏิบัติและได้เห็นเส้นทางนะของการเดินทาง ที่ชัดเจนขึ้นอในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอให้ความภาคเปลี่ยนพยายามของทุกท่านเนี่ยเป็นพลวัปัจจัยหนุนนาหนุนเนื่องส่งให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นนะได้เข้าใจนะสิ่งที่เป็นความจริงนะก็คือความเป็นปกติของใจโดยทั่วหน้าทุกท่านเทิดเจริญพร